เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุ ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ส4มิถุนายนพุทธศักราชส5งราเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวันเพื่อทำบุญตามวาระตามโอกาส ของแต่ละท่านที่อาจจะเหมือนกันหรือไม่เหมือ น, นกันก็ได้บางท่านก็ถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องมาทำบุญทุกอาทิตบางท่านก็มาในวันเกิดบางท่านก็มาในวันบัลปะชาอุปสมบุรซึ่งจะมีการเกิดขึ้นในวันนี้ในตอนบ่าย ทางวัด ญ, ญาี้จะจัดผู้ที่มนรนก็ชาอุปสมบทบวชพระกันทุกเดือนผู้ที่มีจิตศรัทธาอยากจะบวชก็มาจองจองที่พักมาแจ้งจุดประสงค์แล้วก็มาเตรียมตัวบวชทุกเดือนนี้จะบวชพร้อมๆกันหนึ่งครั้ง เพื่อความสะดวกของพระอุปัชฌายะที่อยู่ที่กรุงเทพท่านจะได้ไม่ต้องเดินทางไปมาบ่อยครั้งผู้ที่บวชก็จะได้รู้วันเวลาก็จะได้บวชพร้อมๆกันไปทีเดียวให้เสร็จเรียบร้อยไปการบวชนี้ในสมัยพุทธกาล ถือว่าเป็นการบวชเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเพราะว่าพระพุทธศาสนาเป็นคําสอนของพพุทธเจ้าและผู้ที่จะสามารถสืบทอดคําสอนของพพุทธเจ้ามาถผยแผ่ให้แก่ผู้ได้จาเป็นจะต้องเป็นผู้บวชเพราะว่าจะต้องใช้เวลา ทำมดให้กับการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนจนบรรลุผลขึ้นมาถึงจะเป็นผู้เรียนสำเร็จในทางพระพุทธศาสนาเหมือนทางโลกวิชาความรู้ต่างๆเช่นระดับปริญญาติโทเองนี่ จะมีการสืกษทอดได้ก็ต้องมีผู้มาศึกษาศึกษาแล้วก็สอบถ้าสอบผ่านก็จะได้ปริญญาแล้วก็จะสามารถเอาไปสอนผู้อื่นได้อีกต่อห น, นึ่งถ้าไม่มีการศึกษาไม่มีการสอบต่อไปก็จะไม่มีผู้ที่จะจบปริญญา เมื่อไม่มีผู้จบปริญญาก็จะไม่มีอาจารย์มาสอนวิชาความรู้ระดับปริญญาความรู้นั้นก็อาจจะหายไปเช่นเดียวกับความรู้ของพระพุทธศาสนาความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ผู้ที่ไม่รู้ หลังจากที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาแล้วนำเอาไปปฏิบัติก็จะรู้อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและก็จะได้รับประโยชน์จากการรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะความรู้ของพระพุทธศาสนานี้จะพาให้ผู้รู้นี้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆ พวกเราตอนนี้มีใครบ้างที่อย่างที่ไม่มีความทุกข์อยู่ในใจกันทุกคนเกิดมามีความทุกข์ด้วยกันตั้งแต่เด็กจนถึงคนแก่คนชร า, าไม่มีใครแตกต่างกันในเรื่องของความทุกข์ใจทุกคนมีความทุกข์ใจกันเพราะว่าไม่ได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า และไม่ได้นำเอาไปปฏิบัติจึงไม่รู้จากวิธีที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาภายในใจแต่ถ้าได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติก็จะสามารถที่จะกําจัดความทุกข์ภายในใจต่างๆให้หมดไปได้หลังจากที่ได้กาจัด แล้วก็จะสามารถสอนคนอื่นได้เพราะรู้จักวิธีที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆภายในใจตอนนี้ยังไม่ได้ศึกษายังไม่ได้นำมาไปปฏิบัติจึงไม่สามารถบอกคนอื่นได้ว่าทำอย่างไรถึงจะไม่ให้มีความทุกข์ความไม่สบายใจเพราะตัวเองยังไม่สามารถที่จะกำจัด ความทุกข์ความไม่สบายใจให้หมดไปจากใจของตนได้แล้วจะไปบอกคนอื่นได้อย่างไรนี่คือหลักการของพระพุทธศาสนาที่มีการบวชนี้เป้าหมายของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นก็คือให้มีการสืบต่อมีการสืบทอดเหมือนกับการมอบมรดก จากาจากยุคหนึ่งไปสู่อีกยุคหนึ่งถ้าไม่มีการบวดก็จะไม่มีการร่มเรียนเมื่อไม่มีการร่ำเรียนก็จะไม่มีการปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อไม่มีการปฏิบัติที่ถูกต้องผลที่จะเกิดก็จะไม่เกิดจะไม่รู้ว่าการดับทุกนี้ทําอย่างไรเกิดขึ้นได้อย่างไรก็จะไม่สามารถ ไปสอนผู้ น, น้าเมื่อไม่สามารถสอนผู้ น, น่าผู้ก็จะไม่มีใครศรัทธาที่จะเข้ามาเรียนรู้เมื่อไม่มีการเรียนรู้ต่อไปพระพุทธศาสนาก็จะหมดไปนี่คือเรื่องของการสืบทอดพระพุทธศาสนาต้องสืบทอดด้วยการร่ำเรียนด้วยการปฏิบัติ และด้วยการบรรลุผลของการปฏิบัติถึงจะสามารถเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นได้ถ้าไม่มีการบรวชการเรียนไม่มีการปฏิบัติธรรมไม่มีการบรรลุธรรมต่ดอดไปพระพุทธศาสนาก็จะต้องหมดไปส่วนที่เหลืออยู่ก็เป็นส่วนที่ไม่ใช่เป็นแก่น เป็นสาระสำคัญของพระพุทธศาสนาก็คือพิธีกรรมต่างๆซึ่งบางทีก็ไม่ได้เป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เสียด้วยซ้ำไปเป็นเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดแล้วนำเอามาปฏิบัติตามกันจนกลายเป็นธรรมเนียมไปแต่ปฏิบัติไปแล้ว จะไม่ได้ทำให้จิตใจนั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ได้การที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี้ต้องเกิดจากการปฏิบัติเกิดจากการบวชเรียนเท่านั้นแต่ในสมัยนี้การบวชเรียนไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายของพระพุทธเจ้าเสียแล้วเพราะการบวชเรียนสมัยนี้บวชเรียนเพื่อทดแทนบุญคุณ บิดามานดาบวุเรียนเพื่อได้โกนศรีรษะนุ่งผ้าเหลืองได้ถ่ายรูปร่วมกับญาติพี่น้องแล้วเจ็ดวันส5บห้าวันก็ลาสิขากันไปถ้าถามว่าบวชแล้วได้อะไรบ้างก็บอกไม่รู้ได้แต่อดข้าวเย็นได้แต่โกนหัวได้แต่เดินบินทบาสซึ่งการประพฤติเหล่านี้ ไม่ได้เป็นแก่นของการปฏิบัติเป็นส่วนประกอบที่จำที่จเป็นเหมือนกันเพราะเป็นพระก็ต้องอาศัยญาติโยามใส่บาตรการอยู่ของพระนี้อยู่ด้วยการไปบินทบาทได้อาหารมาแบบไหนชนิดไหนก็ให้ยินดีกับอาหารแล้วก็รับประทานไปเพื่อดับความหิว เพื่อที่จะได้มีกำลังวังชาไปศึกษาไปปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้มาบินทบาทเพื่อมากอบโกยลาบต่างๆเช่นข้าวของเงินทองที่ได้จากญาติยุมที่มีจิตศรัทธาเพราะไม่ใช่หน้าที่ของการมาเป็นนักบวช การบินธบานี้ท่านเรียกว่าเป็นการโปรดสัตว์น่าเป็นการยังชีพโปรดสัตว์ก็คือให้ผู้ที่ไม่มีโอกาสได้ทําบุญได้มีโอกาสทําบุญเวลาพระไปบินธบานญาติโย่พอเห็นพระก็เลยเกิดศรัทธาอยากจะทําบุญขึ้นมาก็จะได้ทําบุญบุญที่ญาติโย่ทํานี้ก็มีประโยชน์กับญาติโย่ พาอจะทำให้ญาติโยมนี้ไปสวรรค์แล้วก็ทำให้พระได้อาหารมายัางชีพเพื่อที่จะได้มีกำลังวังชามาศึกษามาปฏิบัติและมาบรรลุธรรมเมื่อบรรลุแล้วก็จะสามารถเผยแผ่สั่งสอนธรรมให้แก่ผู้อื่นที่ไม่รู้ ก็จะยืดต่ออายุของพระพุทธศาสนาไปอีกหนึ่งชั่วอายุคนหนึ่งถ้ามีการบวชและมีการศึกษามีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีวันหมดไปจากโลกนี้แต่ความเป็นจริงนั้นการบวชเดี๋ยวนี้บวชเพื่อศึกษาบวชเพื่อปฏิบัตินี้มีจำนวนน้อยมาก ส่วนใหญ่จะบวชเพื่อทดแทนบุญคุณบวชตามธรรมเนียมส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็บวชเพื่อมาทรมาหากินจากการบวชคือถืออาชีพนักบวชเหมือนกับอาชีพตำรวจทหารอันนี้ก็เป็นบวชแบบนี้ก็มีการบวชแบบนี้ไม่ได้เป็นการบวช เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ พ, พุทธศาสนากชนเกิดประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาเพราะบวชแบบนี้จะไม่สนใจกับการศึกษาเรื่มเรียนจะสนใจแต่การหารายได้จากการบวช ท, ที่ไหนมีกิจนิมนต์ที่ไหนมีงานที่มีการถวายจะตกปัจจัย ก็จะไปตามสถานที่เหล่านั้นไปเพื่อที่จะได้มีปัจจัยเงินทองมาซื้อข้าวของต่างๆตามความอยากของกิเลสตัณหาบวชแบบนี้ไม่ได้เป็นการบวชเพื่อดับความทุกข์แต่เป็นการบวชเสริมสร้างความทุกข์ให้มีกำลังมากขึ้นเพราะต้นเหตุของความทุกข์ก็คือกิเลสตัณหานี่เอง ถ้าทำตามกิเลตันหามากเท่าไหรความทุกข์ก็จะมีมากขึ้นไปเท่านั้นถ้าตัดกิเลตัดตันหาได้ความทุกข์ก็จะน้อยลงไปเพอากิเลตันหานี้เปรียบเหมือนกับเชื้อไฟถ้าเราเติมเชื้อไฟเข้าไปในกองไฟเช่นเติมฟืนเข้าไปในกองไฟไฟก็จะลุกไหม้ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ แต่ถ้าเราไม่เติมเชื้อและเราดึงเชื้อที่อยู่ในกองไฟออกมาต่อไปไฟก็จะดับฉันใดการบวชทางพระพุทธศาสนานี้ท่านมีเป้าหมายอยู่ที่การตัดกิเลสตัณหาละกิเลสตัณหาข้อวัดปฏิบัติต่ตางๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ศีล ข้อต่างๆ227ข้อนี้มีไว้เพื่อสกัดกั้นกิเลสตัณหาไม่ให้ออกมาสร้างความเสียหายให้กับผู้ปฏิบัติเองและกับผู้อื่นและไม่ให้มาสร้างความเสื่อมเสียความมัวหมองให้แก่พระพุทธศาสนาเพราะถ้าผู้มาบวชทำตัวไม่เหมาะสม ก็จะทำให้ผู้มีจิตศรัทธานั้นเสือมศรัทธาผู้ที่ไม่มีศรัทธาก็จะไม่มีศรัทธาเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่มีผู้มีจิตศรัทธามาใส่บาตมาคอยสนับสนุนพระที่เป็นนักบวชนักบวชก็จะไม่สามารถอยู่ได้เมื่อไม่มีนักบวชก็จะไม่มีการนำเรียนการปฏิบัติ ไม่มีการบรรลุไม่มีการเผยแผ่สั่งสอนคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาก็จะต้องถึงการอรวสานตามลำดับนี่คือเรื่องของการบวชที่วันนี้ได้มีโอกาสได้ชี้แจงให้ญาติโยมฟังว่าอย่าไปตื่นเต้นดีใจกับการบวช เวันส5บห้าวันควรจะตื่นเต้นดีใจกับการบวชไม่ศึกกันแต่ญาติโยมกับไม่ยอมสมัยนี้ถ้าลูกบวชไม่ศึกนี้ไม่ยอมให้บวชแต่ถ้าบวชแล้วศึกก็ยินดีที่จะให้บวชเพราะเสียดายลูกยังอยากจะให้ลูกไววคอยเลี้ยงดูตนเวลาที่แก่เท่าหรือเป็นผู้รับมรดกตกทอดต่อไป จึงไม่อยากจะให้ลูกบวชแบบไม่สึกกันความจริงแล้วการบวชไม่สึกนี่แหละเป็นการบวชที่แท้จริงเป็นการบวชที่น่าส่งเสริมน่าชื่นชมยินดีกว่าการบวชแบบเจวันสิหวันจัดงานเฉลิ่เลี้ยงฉลองกันใหญ่โตหมดเงินเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วได้อะไรบ้างก็ไม่ได้อะไรได้เพียงแต่ภาพ ภาพลวงเท่านั้นเองว่าได้บวชแล้วความจริงมันไม่ได้บวชหรอกเพราะจะบวชนั้นเนื้อหาสาระของการบวชอยู่ที่การศึกษาอยู่ที่การปฏิบัติและอยู่ที่การบรรลุธรรมถ้าบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอระหันต์นี่แหละเรียกว่าได้บรรลุเป้าหมายของการบวช ได้บรรลุเป้าหมายของพระพุทธเจ้าที่ทรงอุสาหะสละเวลามาเผยแผ่ธรรมะสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกเพื่อให้สัตว์โลกได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายแต่ถ้าบวชแบบเจวัน15วันนี้ยังไม่บรรลุยังไม่หลุดพ้นยังต้องมากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไป ดังนั้นขอให้พวกเราพยายามพุ่งเป้าไปสู่การบวชแบบไม่สืกกันเพราะประโยชน์ที่เราจะได้รับนี้ยิ่งใหญ่กว่าการได้เป็นมหาเศรษฐียิ่งใหญ่กว่าการได้เป็นประธานาธิปดีเป็นมหากษัต ร, ริย์เป็นมหาจัากรพรรดิเพราะความสุขที่ได้จากการบรรลุถึงพระนิพพานนี้เป็นบรลมลมังก์มศุ เนมรรมังสุขขังไม่มีสุขใดในโลกนี้ที่จะเสมอเท่ากับความสุขที่ได้จากการบรรลุถึงพาณิชเพราะพระพุทธเจ้านี้ทรงมีความสามารถที่จะไปได้ทั้งสองทางถ้าอยู่ทางโลกก็ได้รับการพยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระมาหาจักรพรรดิถ้าออกบวชก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้า วพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ฉลาดทรงเห็นว่าความสุขที่แท้จริงความสุขที่ดีที่สุดนั้นอยู่ที่การได้บวชได้ทำใจให้สงบได้ตัดได้ชาระกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจสุขกว่าการได้จากการเป็นพระมหาจากักรพรรดิเพราะการเป็นพระมหาจากักรพรรดนี้แทนที่จะสุขกลับจะต้องทุกข์ พอจะต้องไปทำสงครามไปยึดอาณา <c oughs> ดินแดนต่างๆของผู้อื่นมาครอบครองเป็นของตนต้องทำสงครามต้องมีการฆ่าฟันกันเมื่อมีการทำบาปแล้วต่อให้ได้ทรัพย์สมบัติมามากมายเท่าไหร่ก็ตามใจจะไม่มีความสุขใจจะมีความไม่สบายใจเสมอ ทุกคั้งที่คิดถึงคนที่ทำน้มตายจากการกระทำของตนนี่คือพระพุทธเจ้าของเราท่านเห็นว่าความสุขที่แท้จริงนี้ได้จากการไปเป็นนักบวชได้จากการปฏิบัติชําระกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจพอหมดแล้วก็ได้พบกับนิบบานังบาลมังสุขขงังนิพพานเป็นบรมมสุขนี่แหละ คือเป้าหมายที่เจ้าพุทธเราทั้งหลายควรตั้งเป้ากันไว้ไม่ช้าก็เร็วเราจะได้ไปถึงจุดนั้นอย่างแน่นอนเพราะตอนนี้มีทางมีคนบอกทางสมัยพระพุทธเจ้าที่ยังไม่ได้ตรัสรู้นั้นเป็นสิ่งที่ยากมากเพราะไม่มีทางไม่มีใครบอกทางแต่สมัยนี้ง่ายมากพระพุทธเจ้าทรงพยากรไว้เลยว่า ถ้าใครบวชแล้วปฏิบัติตามได้เจ็ดวันก็ได้ถ้าไม่ได้เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่ได้เจ็ดเดือนก็เจดปีเป็นอย่างมากจะต้องได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานอย่างแน่นอนดังนั้นชาตินี้จึงเป็นโอกาสอันเลิศอันประเสริฐเหมือนกับได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเราอย่ามัวรอลยรีบเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นรางวันเสีย อย่าทิ้งไว้เฉยๆแล้วก็ลืมไปแล้วหายไปได้การได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้เพราะพระพุทธศาสนานี้เท่ากับถู ก, กลอตตอรี่รางวัลที่หนึ่งเพราะเราได้มีโอกาสที่จะบรรลุถึงพระนิพพานได้ถ้ามาเกิดในชาติในเวลาอื่นที่ไม่มีพระพุทธศาสนานต่อให้อยากได้พระนิพพาน ต่อให้ปฏิบัติมากน้อยเพียงไรก็จะไม่มีวันที่จะบรรลุถึงพระนิพพานได้เพราะไม่รู้จักทางและไม่มีผู้นำทางนั่นเองดังนั้นจึงขอให้พวกเราจงพิจารณาถึงโชคอันประเสริฐของพวกเราอย่าปล่อยให้โชคอันนี้หลุดลอยจากมือเราไปอย่าอย่าปล่อยให้ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งของเรา ตกหล่นหายไปต้องรีบเอาไปขึ้นนังวันทันทีต้องบวชทันทีถ้าอยากจะได้บรรลุถึงพระนิพพานเช่นวันนี้บวชแล้วก็อยากสด็บอกพ่อบอกแม่ว่าผมเปลี่ยนใจแล้วผมจะบวชตามพระพุทธเจ้าผมจะไปพระนิพพานถ้าทำอย่างนี้ได้แล้วรับรองได้ว่าจะทำประโยชน์อย่างมหาศาลให้กับตนเองและกับผู้ที่จะตามมาต่อไป ก็จะได้สั่งสอนผู้อื่นให้ได้รู้จักทางให้ได้บรรลุถึงพระนิพพานจึงขอฝากเรื่องของการมาทำบุญในวาระโอกาสต่างๆให้ท่านได้นำเอาไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณพรศรีรัตนใจและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขแข้วค่าปลอดภัยด้วยอายุวั น, นสุขภาระโดยทั่วหน้ากันเธอ